แต่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้เกรงใจคนอื่นเขาแต่กลัวกลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่กลัวเขาว่ากลัวเขาดา่ากลัวเขาตีอะไรก็เลยเกรงใจนะอะไรอย่างงี้นะแล้วเขาก็เลยพูดว่าเนี่ยแม้แต่แค่ความคิดนะยิ่งเห็นเขาลาบากเพราะเราก็ยิ่งทนไม่ได้เพราะตัวเองคิดว่าความลำบากกับความไม่ชอบมักจะอยู่ด้วยกัน ถ้าสมมุติคนนี้เป็นคนที่เกรงใจจริงๆคนที่เกรงใจจริงๆเนี่ยกลัวคนอื่นแหมจะมาลำบากพ่อเราแต่เอาจริงนะตอนนี้ของจริงนะถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้ว่ากลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องมาลำบากจะต้องมายุ่งยากมาเสียงกันเสียทองมาอะไรโอ้โหพ่อเรานี่ทนไม่ได้ทนไม่ได้ถามหน่อยเธอ ถ้าคนที่มีความคิดอย่างเนี้ยความลาบากกับความไม่ชอบเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันไหมนะฮะถ้าความลาบากกับความไม่ชอบมันอยู่ด้วยกันเนี่ยคนนี้จะรู้สึกอย่างนี้ไหมถ้าของจริงถ้าคนที่มีความเกงใจคนอื่นจริงๆเนี่ยฮะมันจะอยู่ด้วยกันไหมความลาบากกับความไม่ชอบจะอยู่ด้วยกันไหม ไม่อยู่ใช่ไหมเพราะอะไรอ่าเพราะว่าคนนี้ถ้าเกรงใจคนอื่นเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องทำเองละอย่างน้อยน้อยหรือไม่ทำเองก็คงจะต้องลาบากมากขึ้นใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนคนที่มีความเกรงใจจริงๆแล้วเนี่ยนะเกรงใจคนอื่นจริงๆแล้วคนนั้นเนี่ยจะมีแนวความคิดว่าความลาบาก กับความไม่ชอบใจเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะคุณฟังดูให้ดีอันนี้จะไม่จริงเลยเพราะว่าถ้าใครคิดอย่างนี้นะว่าโอ้ยเดี๋ยวลําบากแย่เลยอย่างนี้ไม่ไหวหรอกหลังนี้เราไม่ชอบถ้าลองคิดอย่างเงี้รับรองว่าคุณไม่เกงใจแนะ่ <c oughs> คุณไม่เกงใจแนะ่คุณก็ต้องไอนันไอนี่ไอโน่อะไรละ่ะทันทีเลยอันนี้เราพยายามไปสังเกตแล้วก็จับสภาวะจิตเราให้ดี ว่าถ้าค่าวไหนเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดว่าความลําบากนี่มันไม่น่าลื่นล้มเลยมันไม่น่าชอบใจเลยข่าวนั้นแหละเราจะรู้ว่าเราชักไม่ค่อยเก่งใจแล้วเราจะรู้แต่ถ้าใครเนี่ยพอไปเจอเหตุการณ์ไปเจอสถานการณ์แล้วเราจับจิตเราได้เลยนะเงาะโหยตอนนี้ชักลําบากเลยแฮชักลําบากเลยแฮแต่คนนี้ก็ยังกล้ากล้าที่จะ เออเอาอย่าไปบอกคนอื่นก็เลยอย่าไปเรียกคนอื่นก็เลยเรียกแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะติดงานเขาอาจจะต้องมีภารกิจมีมีอะไรอะ่ะมีเรื่องยุ่งยุ่งหรือว่ามีปัญหาอะไรของเขาเหมือนกันเอเราทำเองถ้าใครลองคิดอย่างนี้จริงนะแล้วก็มีสภาวะอย่างนี้จริงคนนั้นเนีะ่ะเรื่องความลำบากนะ จะแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบความลำบากจะไม่ค่อยชอบแต่คนนี้ก็ยังยินดีที่จะทำถ้าเกงใจคนอื่นจริงๆยิ่ ง, งถ้าเกิดมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนนะถ้าคุณเอามุมนี้มาใช้แล้วว่าอัตตาหิอัตโนนาโถรับรองเลยคุณจะเ ก, เกงใจคนอื่นจริ ง, รงๆด้วยนะ เก่งใจด้วยแล้วถ้าคุณจำนนคุณจำเป็นต้องทำอยู่คนเดียวณหนะโหงานนี่เต็มล้นเลยนะแต่คุณต้องทำอยู่คนเดียวนี่นะคุณก็จะไม่ทุกข์เลยมันเป็นความลำบากจริงแต่มันไม่ใช่ความไม่ชอบใจแล้วมันก็ไม่ใช่ความทุกข์เพราะฉะนั้นคนนั้นจะตั้งตนบนความลำบากแล้วกุศลธรรมเจริญยิ่งมันถึงจะมาเข้ากับคำตัดของพพุทธเจ้า ถ้าคุณเข้าใจนะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจแล้วคุณจะไม่อยากตั้งตนบนความลําบากเลยเพราะลําบากแล้วข้าไม่ชอบอะ่ะข้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวอะ่ะถ้าอย่างนี้อกุศลธรรมกูจะเริญคุณยิ่งลําบากคุณยิ่งอกุศลธรรมเจริญเพราะอะไรเพราะยิ่งลําบากเราก็ยิ่งไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงน้นนะ่ต้องเดี๋ยวไอน้นั่นไอ้เห็นบ้างๆก็ไม่มาช่วยเราทํา <c oughs> นะเอาแล้วมันเริ่มเพ่งโทษมันเริ่มอะไรไปแล้วนั่นแหละว่าอันนี้จับดูจิตเราให้ดีนะถ้าใครสังเกตสภาวะจิตอย่างนี้ได้ก็จะได้รู้ว่าโอ้โ oh หตอนนี้เราลำบากนะเพราะความที่เราเกงใจงนนคนนั้นคนนี้แสดงว่าจิตเราดีนะเราตั้งตนบนความลำบากแล้วเราควรจะมีปิติมีสุขที่เกิดขึ้นถ้าอย่างนี้กุศลธรรมเราเกิดแน่ๆเราจะรู้ว่า เราเสียสละอยู่มันเหมือนกันอย่างกับพ่อท่านบอกว่าเ mm. หลืออาตมาคนเดียวอาตมา ก, ก็ยังจะทาถือศีลปฏิบัติธรรมแนวทางอย่างเี้ยอยู่ของท่านอย่างเี้ยนะแม้ว่าจะลำบากถ้าเหลือคนเดียวก็ลำบากนะ่นะแต่ท่านก็ยังแน่ใจชัดใจอย่างนี้แหละนะความลำบากอย่างนี้เป็นกุศลสำหรับเราดังนั้นถ้าใครยังลาบากเพราะเรา เหน็ดเหนื่อยเพราะเราแม้เล็กๆน้อยๆก็ตามก็กลัวจิตเขาจะมีความไม่ชอบขึ้นมาและเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตผู้นั้นแหละมักจะอ้างความเกรงอกเกรงใจขึ้นมาบาังหน้าตลอดเวลานี่อันนี้หมายถึงว่าของไม่จริงะนะถ้าของไม่จริงเนี่ยเราก็กลัวตัวเราลาบากหรือไม่ก็กลัวคนอื่นเขาจะลาบากนะโก้โดย2องส่วนนี่แหละ าอกลัวอย่างเงี้ยแต่ของไม่จริงเนี่ยมันก็เอาแล้วอ้างคําว่าเกรงใจขึ้นมาบังหน้าแต่จริงๆแล้วเราอาจจะมีอะไรอะ่ะเหตุอื่นส่วนอื่นอะไรที่จะเอามาอะไรอะ่ะมาอ้างได้เนี่ยทำให้เราก็เลยต้องใช้สถานการณ์เนี่ยต้องใช้เหตุการณ์อย่างเงี้ยมาอ้างนะโดยใช้คําว่าเกรงใจ เขาหรือเธอจึงเป็นผู้ไม่กล้าไม่อาหารไม่มีความเด็ดขาดเป็นคนขี้กลัวไม่ค่อยกล้าทําอะไรและผลสุดท้ายก็คือความตรอมใจอย่างน่าสงสารชีวิตของคนพวกนี้จึงเป็นกระยาณมิตรที่ดีของคนอื่นไม่ได้เพราะไม่มีวันจะใช้บทเพลงแห่งสันเลขธรรมขัดเกล้าช่วยเหลือเพื่อนๆนของเขาได้ไม่ใช่แค่ ขัดเกลเพื่อนไม่ได้เท่านั้นก็ตัวเองก็ยังขัดเกลไม่ได้เราจะไปขัดเกลเพื่อนได้ยังไงแล้วก็อ้างว่าเกรงใจเกรงใจมันมีส่วนของความเกรงใจอยู่จริงแต่ถ้าความเกรงใจนั้นเนี่ยมันกลายเป็นความเกรงกลัวฟังดูนะมันไม่ใช่เกรงใจแต่มันกลายเป็นความเกรงกลัวต่างหากนรมาเคยเขียนระหว่างคำว่าเกรงใจกับคำว่าเกรงกลัว นะว่ามันต่างกันนะเกรงใจเนี่ยถ้ามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกรงใจนี่มันจะระดับหนึ่งเราจะมีความรู้ความเข้าใจในการที่ว่าเอออันนี้ควรหรือไม่ควรเข้าใจไหมที่จะเกรงใจอ่าเพราะเราเห็นว่าเหมาะควรเราเลยต้องเอออันนี้อย่าเลยมันลําบากเขา นะแม้ว่าเราจะลําบากนิดหน่อยเราก็ช่วยตัวเราเองได้นะคือถ้าอย่างยี่เรามีสัมมาทิฏฐิอยู่เราก็เกรงใจเขาเกรงใจจริงๆไม่ใช่เกรงเทียมๆไม่ใช่เกรงกลัวข้อนี้เกรงกลัวนี่มันกลายเป็นกลัวว่าคนอื่นเนี่ยแหมเขาจะยุ่งยากเขาจะลําบากเกินไปทั้งๆ ท, ท, ที่บางทีนี่เขาอาจจะไม่ได้ยุ่งยากเขาอาจจะไม่ลําบากอย่างที่เรา คิดเวอก็ได้แต่คนนี้เนะี่ยคิดเวอเกินไปจนกระทั่งเกรงใจเกรงอะไรไปหมดคนที่เกรงใจเกรงอะไรหมดเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่มีเพื่อนสนิทหรอกหรือไม่มีเพื่อนที่จะช่วยงานได้จริงจงจังๆในความที่เกรงใจเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นเกรงกลัวเพราะถ้าถึงขั้นเกรงกลัว่นะมันมันสนิทกับใครไม่ได้หรอก เพราะว่ามันจะไหว้หวานมันจะอะไรอ่ะให้ช่วยเหลือกัน ร, ร่วมกันทํางานหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันไม่มีความกล้าเลยเพราะในที่สุดก็เลยสนิทกับใครไม่ได้เลยมันมันมันมันเกรงกลัวจนมากเกินไปเพราะถ้าถึงขั้นเกรงกลัวเนี่ยเสียไม่ได้เรื่องแล้วนะงานของตัวเองหรือว่าอะไรอ่ะผลสําเร็จของตัวเองก็จะไม่เกิดขึ้นรวมไปทั้ง เพื่อนๆ น, นั้นเราก็ไม่สามารถที่จะให้เขาเข้าใจเราได้ดีขึ้นด้วยและในที่สุดถ้าเกรงกลัวอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามากเข้าก็จะเกิดความเหินห่างจะไม่สนิทสนมไปสังเกตดูได้เลยใครที่เกรงกลัวจนเกินไปนะหรือขอใช้คำว่าเกรงใจจนเกินไปเนี่ยแหละในที่สุดคนนั้นจะเหินห่าง จะไม่สนิทในมุมตรงข้ามใครที่ไม่เกรงใจใครจะเกินไปกันนี้นะโอ้โหพอใช้ดาเลยแล้วนะเรียกว่าโอ้นี่เพิ่งมาอยู่วัดไม่สนแหลนะมาเบิ่งมาอยู่ก็เอาเลยนะเจ้าโอมั่งเจ้าโอ้มัง่งเจ้าเ จ, จ้าอะไรอีกนันนะกันแล้วแต่แล้วไม่ว่าน้าอินหน้าผมมอ ม, มาอยู่วัดแล้ว เป็นคนของส่วนกลางนะเพราะฉะนั้นนะต้องให้เต็มที่เยอกินแล้วเบืองเข้าสุกเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเกรงใจไอ้อย่างนี้ถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ไหวถ้าไม่เกรงใจคนเนี่ยนะกลายเป็นกระด้างคนไม่เกรงใจคนเนี่ยกลายเป็นคนกระด้างกลายเป็นคนแข็งแข็งกระด้าง น, นะ ก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เหมือนกันไม่มีใครเขาอยากที่จะอะไรอ่ะอยากที่จะทำงานด้วยหรือว่าอยากจะช่วยเหลือไม่มีใครเขาอยากเหมือนกันเพราะเขาก็ไม่ชอบคนที่ไม่เกรงใจแสดงว่าไม่ให้เกียดกันเลยก็กลายเป็นไม่สามารถสนิทสนมกับคนได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าคนเขารังเกียจ บอกโอ้โหไม่เกรงใจกันเลยอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคบกับคนก็ยากพวกเหล่านี้นี่ถ้าเวลาไปเกิดอุปสรรคไปเกิดปัญหาอะไรไม่มีใครอยากช่วยเหลือเพอเพอเขาก็ปล่อยเลยอะเขาตัดทางปล่อยไม่ใช่ปล่อยวัดนะปล่อยปล่อยอะไรดีปล่อยปล่อยทะเลปล่อยอะไรลงน้ําไปเลยเขาไม่อยากจะช่วยเหลือเลยเอแต่ส่วนคนที่มีความเกรงใจคนอื่น นะมีอย่างถูกต้องน ะ, ะไม่ใช่เกรงกลัวนะอาตมาบอกแล้วคนที่เกรงใจคนอื่นจริงเนี่ยมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างให้เกียรติคนอื่นค่อนข้างที่จะรู้จักคุณค่าของคนอื่นวันคนเหล่านี้พอเวลามีปัญหาเกิดทุกข์ลบากหรือว่าอะไรมักจะมีคนยินดีช่วยเหลือมีคนยินดีอยากจะเป็นมิตรสหายด้วยเพราะเขาเชื่อว่าเออคนนี้ให้เกียรติคนด้วยกัน นี่นเนี่ ย, ยคือความแตกต่างกันอา้าวหัวก็ต่อไปมารทางธรรมแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันผู้ยังหลงโลกกรทมอยู่ก็ย่อมไม่กล้าปฏิบัติเพราะกลัวเขาว่ากันเสียเป็นส่วนมากบางคนก็ทนเขาตีเตียนไม่ได้ด้วยยังไม่แข็งแกร่งพอ เมื่อปิดปากคนว่าไม่ได้แต่ตัวเองก็ยังรักที่จะไม่ให้ใครมาดินธาตนอย่า ก, กันนั่นเลยเลิกปฏิบัติเถอะจะได้ไม่มีใครมาว่าเรากลับเป็นอย่างนั้นไปเสียหนี้นี่แหละพ่อกลัวเขาว่านะพาอกลัวเขาว่าวันไหนที่สุดก็เลยกันไว้ดีกับแก้ แย่แล้วเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันก็เลยไม่ต้องปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะปฏิบัติธรรมแล้วกลัวเดี๋ยวเขาว่ามันก็เลยไม่ต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าเหมือนกับอยากจะมาอยู่วัดใช่ไหมแต่มาอยู่แล้วเดี๋ยวกลัวเขาจะว่าเดี๋ยวกลัวโดนติเดี๋ยวกลัวอะไรอ่ะลำบากกลัวเขาจะเนี่ยไม่อยากให้อยู่ด้วย นะเดี๋ยวโดนหาว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยนะพอลองกลัวอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลยแก้ปัญหาโดยว่าไอ้ยอย่างนี้ก็อย่ามาอยู่วัดเลยดีกว่ามันก็แก้ปัญหาโดยวิธีอย่างนี้ดังนั้นผู้ต้านกระแสโลกรีจึงนับเป็นที่พึ่งของชีวิตได้อย่างแท้จริงเพราะเขาคือผู้มีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นผู้มีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในการทําความดีต่อเรามาน นะอันนี้เขาพูดว่าคนที่กล้าเท่านั้นนะ่ะกล้าอะไรกล้าที่จะไม่กลัวคาตาหนิไม่กลัวอะไรไปล่วงหน้าไม่กลัวไอ้นัน่กนกลัวไอ้นนทกลัวไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยนะยังไงเราก็ต้องลองดูก่อนเอาลองมาประพฤติลองมาปฏิบัติดูซิว่าเราจะมีอินทรีย์พระสามารถทำไปได้ถึงแค่ไหนขนาดไหนไม่ใช่กลัวมาล่วงหน้าจนกระทั่ง กลายเป็นทําอะไรไม่ได้เลยนักโทษที่กลัวอะไรมากเกินไปเนี่ยมันไม่กล้าทําอะไรเลยไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จในชีวิตได้เลยแม้แต่การมาปฏิบัติธรรมก็ตามมาคงกลัวกลัวจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่พอสมควรบางคนน่ะกลัวอะไรรู้ไหมโอ้มาอยู่วั ด, เ, เ, ดเดี๋ยวก็จะมาหลงรักคนนั้นคนนี้บ้าง นะกลัวเพราะงั้นยัง ม, มันมาไม่ได้ครับขืนมาแล้วเดี๋ยวมันมันรักคนทั้งคนนี้เข้าก็ไม่ดีเลยแย่เลยก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีแต่ถ้าลองคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยรับรองว่ามาอยู่วัดไม่ได้มันไม่มีทางที่จะอยู่วัดได้เลยนะไ อ, ไอความระมัดระวังการป้องกันดีความระมัดระวังนะความป้องกันดีแต่ไม่ใช่ อย่าไปเป็นความกลัวถ้าลองมาถึงขั้นเป็นความกลัวแล้วก็ไม่ไหวแล้วคนนี้จะไปทำในสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่กล้าแล้วถ้ามันเป็นความกลัวเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ให้มันเป็นความกลัวแต่น่าจะให้เป็นความระมัดระวังนะถ้าอย่างนี้คนนั้นจะกล้ามาทำแต่ทำอย่างระมัดระวังส่วนว่าเออถ้ามันเกิดอินทรีย์พลาเราไม่พอเราจะต้องพลาดพังจะต้องไปถือศีล จาก8มาเหลือสีนห้านะจาก5้าจะต้องหลุดก็เต้นออกไปก็ให้มันรู้กันไปสินะก็ต้องมาทดสอบมาประพฤติมาปฏิบัติ ด, ดูอย่างเต็มความสามารถเราอะทำได้แค่ไหนเราก็ยอมจำนวนว่าเอาก็ทำได้แค่นี้ก็แค่นี้แต่ไม่ใช่กลัวถ้ากลัวเนี่ยคนนั้นจะไม่มีวันรู้ความจริงของตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ยมีขีดความสามารถแค่ไหนจะไม่มีวันรู้ เพะหลายคนที่บางทีเนี่ยสามารถจะกินมื้อเดียวก็ได้นะแต่ทุกวันนี้ที่ทำไม่ได้เพราะมันกลัวสารพัดจะกลัวโอ้ผมทำงานมากผมต้องใช้แคลอรี่มากนะให้ผมกินมื้อเดียวผมไม่ได้หรอกมันอาจจะเข็ดวัวแต่ครั้งไหนมาก็ไม่รู้นะนะมันก็มีเหตุผลอนะ่ะสารพัดสารเพให้เรา นะหรืออาบางคนไม่ต้องมือเดียวหรอกบางคนเอากินสองมื้อนี่แหละไม่ได้หรอกผมกินสองมือไม่ได้หรอกถ้าคือให้กินสองมื้อนี่ผมผอมแห้งแรงน้อยแน่เลยเพราะนั้นผมต้องกินสามสีมือต้องกินอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แล้วแต่ฐานนะแต่อย่างน้อยนี่ต่มาจะพูดในแง่ที่ว่าไม่ควรกลัวก่อนถ้ากลัวไปก่อนแล้วมันมันแพ้ตั้งแต่แค่ความคิดอะ มันพังไปตั้งแต่ในความคิดแล้วมันจะไปสู้อะไรอ่ะมันไม่มีปัญญาเลยที่จะสําเร็จได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยตัวความคิดเนี่ยมันต้องมีพลังนะแค่ตัวต้นเนี่ยสมาธิถี่เนี่ยมันต้องมีพลังพอมันมีพลังก่อนมีพลังที่จะทุ่มโถมจิตเราเข้าไปแต่เมื่อเราทุ่มโถมจิตเข้าไปเนี่ยปะทะกับข้าศึกจริงๆเข้าต่อสู้กับข้าศึกจริงๆเข้าเราถึงจะรู้กําลังว่า โอ้โหค่าศึกมันมาสิบหมื่นใช่เรามีกำลังแค่หมื่นเดียวนเงี้ยสงสยยัยจะสู้ไม่ไหวใช่ไหมมั้งนะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอาละไหนๆก็ต้องลองชนกันดูแหละว่ามันจะไหวไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะโดยที่เรียกว่าคนนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังนะไม่ผีพรามไม่สุดโตง่งไม่อะไรนะเราก็พยายามสู้เต็มที่ตาม กำลังความสามารถของเราแล้วมันถึงจะรู้ผลของตัวเองทั้งกำลังในเรื่องของกายทางกายทั้งกำลังในเรื่องของ จ, จิตใจก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรามีขุมกำลังฝีมือของเราเนี่ยขนาดนี้คราวนี้เนี่ยถ้าต่อไปในครั้งหน้ า, นาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าว่าเออถ้าเราจะไปชนกับมารเนี่ยชนกับค่าศึกศัตรูเนี่ยนะในกิเลสเนี่ยนะ เราจะสู้กับกิเลสตัวแค่นี้แค่นี้ได้แต่ถ้าใหญ่เกินกว่านี้เราเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้คราวนี้ไม่ใช่กลัวนะแต่คราวนี้รู้ความจริงแล้วว่าใหญ่กว่านี้เรายังสู้ไม่ได้ไม่ใช่กลัวนี่คือความแตกตา่างเพราะฉะคราวนี้มันรู้ความจริงแต่บางคนเนี่ยกลัวไปล่วงหน้าเนี่ยยังไม่ได้รู้เลยความสามารถตัวเองขนาดไหนก็ไม่รู้ แต่ว่าไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำไปว่าตัวเองจะกินมื้อเดียวได้เนี่ย ม, ม, มันไม่เชื่อเลยมันกลายเป็นกลัวตรงัข้ามกับอีกคนหนึ่งนะเขาลองกินมื้อเดียวเสร็จอพอกินไปได้สักวันสองวันนะ่ะล้มเลยนะแต่คนนี้ก็เออเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเ อ, อที่กินไปวันสองวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะไร ย, ยังไงบ้างเขาอาจจะรู้เลยนะว่าโอ้เขายังกินมื้อเดียวไม่ได้เขาจะต้องไปกินสองมือ้ออ่าแล้วคนนี้ก็เลย ลดเพดานบินลงไปไปกินสองมือเข้าใจไหมไ<ป>อ่าคนท่านก็จะรู้ความจริงของตัวเองว่าเออตอนนี้ตามภูมิตามฐานของการฝึกปรือของตัวเองต้องกินสองมือไม่ใช่กลัวกินมือเดียวไม่ได้แล้วไม่ใช่แต่รู้ความจริงและยอมรับความจริงว่าตัวเองยังกินมือเดียวไม่ได้แต่ไม่ใช่กลัวฟังให้ดีนะไ อ, ไอจุดนี้อรรมมาว่าสาคัญอยู่เหมือนกันเนี่ย เพราะบางคนเนี่ยมันมันมันแยกไม่ออกมันกลัวจกนกระทั่งไม่กล้าไม่กล้ากินรถมือไอ้ถ้าอย่างนี้จะมาว่าโอ้อยางงี้มันจะไปเพิ่มฐานหรือว่าเพิ่มอธิสินอะไรของตัวเองยังไงได้มันไม่มีทางเลยแล้วอยากจะบอกว่าถ้าป่อยนานไปนานไปมันมีแต่กิเลสเพิ่มมันไม่มีว่าจะทำสินได้ดีขึ้นหรอก มันมีแต่ว่าเราจะยิ่งหย่อนลงไปเรื่อยหย่อนลงไปเรื่อยเพราะไอ้ความกลัวที่เรามีในจิตเนี่ยยิ่งเรามียิ่งเราสะสมอยู่ในจิตเรามันมีแต่จะเพิ่มขึ้นในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลัวไปถึงตัวอื่นไล่ไปเรือ่อยกลัวไปถึงตัวอื่นคราวนี้มันจะไม่ใช่แค่เรื่องกินนะมันจะเรื่องนอนมันจะเรื่องการจับจ่ายใช้สอยอะไรมันจะกลัวอะไรอ่ะมันไล่ไปลูกโซ่ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโ น, น้มมันจะไปเรื่อยๆ แล้วในมุมตรงข้ามถ้าเราเนี่ยนะเออมีความกล้าหาญมีความที่จะตั้งกิตตั้งใจที่จะทําเรื่องนู้นนะวิราชบ้างงดเว้นบ้างที่จะสู้กิกเลสเราเนี่ยมันก็จะเป็นลูกโซ่ที่จะไปถึงเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันแต่ให้ดูตามกําลังดูตามขีดความสามารถเราด้วยบอกแล้วนะไม่ใช่บุมบําไม่ใช่ อะไรอะสู้แบบแหมไม่ใช้สติปัญญาบ้างเลยก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นอย่ากลัวนะจงกล้าออเมื่อทางชีวิตเดินสวนกันคนละโลกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงชาวโลกจะทักจะทวงก็เป็นเรื่องของการมัวเมาอยู่ในกองสุกต่างหาก เมื่อเขายังไม่รู้ทางเดินใหม่ของชีวิตทวนกระแสจะมีสิทธิพิจารณ์ได้อย่างไรแต่ก่อนมนุษย์ทวนกระแสก็เคยเป็นแบบเขามาก่อนจึงควรมีสิทธิพิจารณ์พวกเขามากกว่าดังนั้นจึงป่วยการที่จะหวั่นไหวไปกับการถูกทักว่าพร้อมไปสู้ไปอ๋ออันนี้กำลังจะเข้าแล้วนะ คือพอเราเนี่ยเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องหรือว่าที่ดีขึ้นมาเราก็จะต้องลดละใช่ไหมแต่พอเวลาเราลดละปั๊บเนี่ยเอาละมันจะต้องมีแน่ๆแหละที่จะต้องมีคนพูดมั่งวิจารมั่งอะไรมั่งด้วยเจตนาดีก็ตามหรือด้วยเจตนาว่าก็ตามนั่นอย่างเช่นอ๋อเดี๋ยวนี้กินมังสวิรัตแล้วเหรอกินเหลือมือเดียวเหรอเนี่ยนี่ ชักจะพร้อมไปแล้วนะเนี่ยชักจะสู้ไปแล้วนะหรือหาว่าโดนล่างสมองหรือหาว่ายังรู้โลกน้อยไปหรือยังเด็กยังเร็กอยู่เลยหรือแม้แต่การย้อนหลังไปสร้างฐานะทางโลกโลกเพียงเพื่อลบคำสบประมาทว่าผู้ที่มาทางธรรมคือผู้ไม่มีความสามารถทางโลก ก็เพราะเมื่อเรารับคําท้าเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเราร่วมแข่งกีฬาที่เด็กๆ เ, เขาเล่นกันการสร้างฐานะทางโลกเป็นเรื่องของปุถุชนแต่การสร้างฐานะทางจิตเป็นเรื่องของอริยชนแล้วเราจะเลือกฝ่ายใดนะอันนี้เขาก็พูดว่าในแง่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องมีมารผจญพูดง่ายก็จะต้องมีการ โดนติโดนว่าโดนอะไรแล้วเราหวั่นไหวไหมล่ะอันนี้แหละเป็นสิ่งสาคัญนะเราหวั่นไหวไหมหรือว่าวันไม่ไหววันแล้วก็ไม่ไหวเออเออแล้วถ้าไหวแต่ไม่หวัน่นอย่างนี้เออยังยังพอรุนเงินได้นะยังพอที่จะมีหนทางมีวีว่แวว แต่ถ้าลองไหวแล้วก็ไม่ไหวไอ้อย่างนี้แย่นแน่เลยนั่นะจริงๆแล้วเขาก็ยังพูดถึงเนี่ยถึงขั้นที่เรียกว่าบางคนเนี่ยพอโดนเนี่ยโดนติโดนว่าโดนเซลเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นมีมานะอัตตาขึ้นมานะจนกระทั่งแม้ว่าบางคนสมมุติจะต่อให้มันเป็นนักบวชแล้วเนี่ย สัวว่าโดนคนเขาพูดซ้ําๆย้ำๆโดยเฉพาะซ้ำๆย้าๆเนี่ยบ่อยๆ บ, บ, บ่อยๆตัวเอ้มาบวชไม่มีทางอื่นไปแล้วถึงได้มาบวช <c oughs> <c oughs> นะหมดทางไปอะไรอย่างเงี้ยนะโดน ย, ย้าๆเข้าบย้ําเข้ายิ่งโดยเฉพาะบางทีนะ <c oughs> บางคนเนี่ยยุแล้วขึ้น <c oughs> ยั่วแล้ว ยั่วแล้วเต้นนะบางคนเนี่ยเสร็จนะเขาลองยั่วเข้าไปสักครั้งแรกครั้งแรกนี่เอาลนะคพอทนพอครั้งที่สองชักไม่เป็นสุขเลยพอครั้งที่สามแนละ้วมานะขึ้นแล้วนะเผลอๆนี่นะบางคนเนี่ยติดนิสัยแบบโรคๆอยู่ติดนิสัยเลยพนันกันแม่พนันกันแม่แมว่าเชื่อไหมเนี่ย ออกไปทำนี่สบายมากเลยรับรองว่าเป็นเท่าแก่ได้พนันนันแม่เอาเลย เ, ร ส, เสร็จไปแล้วโ <c oughs> ดนเจอ่ข้กล <c oughs> อแต่จริงๆแล้วเป็นมานาอัตตาของเราเองที่เราเนี่ยไม่ชัดเจนในเรื่องของทางธรรมกับทางโลกเราไม่ชัดเรายังมีเชื้อทางโลกเนี่ยอยู่ <c oughs> พอโดนยั่วโดนยุบปั๊บเชื้อทางโลกโลกีเนี่ยมันขึ้นมา มันก็เลยกลายเป็นจะเอาชนะกับเขาแบบทางโลกแทนที่จะเอาชนะเขาโดยทางธรรมนี่แหละมันมันคือความแตกต่างกันที่ตรงนี้เพราะในที่สุดคนนั้นก็เลยกลายเป็นเอาพวกโลกโลกนี่แหละไปชนะเขาเขาบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกใช่ไหมอย่างเขาบอกบางทีอะพระบางรูปอะไปวิจารณเรื่องการเมืองอะบอกก็โทรท่านพูดอย่างนั้นท่านก็พูดได้ที่ท่านบวชเป็นพระ มติมาว่านักการเมืองว่าสอสอว่าอะไรเงี้ยท่านก็ว่าได้แน่จริงท่านก็สื่อออกมาทีา่มาลงสมัครสอส อ, อแล้วท่านดูที่เนี่ยท่านจะไปแก้ปัญหาได้หรือเปล่ า, าบางทีโดนไม้นี้เข้าหลายทีหลายหนก็ชักขึ้นเหมือนกันนะอยากลองของมาเงันนะไม่จะกลายเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าเราชัดเราแม่นในเป้าหมายของเราเองแล้ว เราก็จะไม่อย่างนั้นหรอกเรารู้ว่าโอ้ยทางธรรมนี่มันดีกว่าทางโลกโล ก, กีทั้งเยอะทอะั้งแยะมันจะไม่สงสัยนะมันไม่อยากที่จะไปอย่างนั้นเลยนะซึ่งอันเนี้ยเราต้องชัดในตัวเราเองอย่างบางคนเนี่ยกินมื้อเดียวได้อยู่แล้วเงี้ยเขาเอาบอกข้าเหนียวทุเรียนนะเข้าเหนียวทุเรียนนะอา่าโมื้อเดียวเนี่ย ไม่แน่จริงหรอกจริงจริงไม่กล้ากินใช่ไหมข้เนียวตัวเรียนเนี่ยสมมุติว่ากินหน้าชนั่งแห่งเดียวไปแล้วนะเอาพลลมเป่าอีกให้เข้าจมูกเฟซบางคนเนี่ยแมโดนยั่วๆเข้าโดนยั่วๆเข้าเสร็จนะกินจนได้แกรงใจคนให้เข้าตำลาเลยนะเกรงใจคนให้ เออกลัวสีน้ำใจอ่ะนะอ๋อถ้าไม่กินครั้งนี้เดี๋ยวทีหลังเขาไม่ให้อีกอะนะตลาดอีกข้อนะโอ้โหทำไมดูเดือดอย่างนี้ล่ะข้าวกลายเป็นอึขั้นละเอียดซ้อนเข้าไปอีกแม้ขณะลดกิเลสอยู่เมื่อเรารู้ตัวว่ายังติดอยู่กับความชั่วสิ่งใดก็ยิ่งทุกข์ทนหม่นหมองเอาจริงเอาจังมากไปก็ยังเรียกว่า ตกอยู่ใต้อิทธิพลของโลกกระมเพราะนี่ก็คือตัวเองยังติดเตียนตัวเองเมื่อรู้ว่าถูกติดเตียนจิตใจมันก็ยิ่งจะไม่สบายยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความไม่ดีไม่งามของตัวเองจนเกินมัชชิ ม, มาการตัดกิเลสเมื่อยังไม่ถึงเวลาหลุดล่อนให้อยากจนให้อยากจนตายมันก็ไม่หลุดไปได้ อย่างว่านั่นแหละเราไม่มีสิทธิ์สั่งต้นไม้ให้ออกผลโดยไวแต่เรามีสิทธิ์รดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยเมื่อถึงเวลามันก็จะออกผลของมันเองวงเล็บจาคะ่ะอ๋อข้าวกลายเป็นอึ น, นะในที่นี้นี่เขาหมายถึงว่าอะไรอ่ะใจร้อนนั่นเองนะความใจร้อน เ, อเขาเรียกอะไรใจเร็วด่วนได้ใช่ไหม หรือว่าอภิชปาตันหารำหน้านะอะไรทํานองนี้ที่จะให้เห็นว่าบางทีเนี่ยเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปนะแต่ว่ามันมีผิดพลาดมีบกพร่องเกิดขึ้นมาพอผิดพลาดบ้างบกพร่องบ้างเนี่ยเราติเตียนตัวเราเองลงโทษตัวเราเองมากเกินไปมากเกินกว่าเหตุจนกระทั่งมันยิ่ง อ่อนแอจิตวิญญาณยิ่งไม่มีพลังเลยนะไออย่างนี้เนี่ยก็บึกเบิ่เกินไปอีกนะลงโทษตัวเองเกินเกินโทษของตัวเองลงโทษตัวเองแต่ว่าลงโทษเกินโทษของตัวเองนะไม่ฉลาดเลยอย่างเช่นบางคนนี่อาจจะแบบว่าเผลอไปอย่างเงี้ยจริ ง, รงกินมื้อเดียวได้เผลอไปนะเกรงใจเขาเผลอ เขาเอาข้าวเหนียวทุเรียนมาให้ก็เลยเผลอกินไปหมดชามนะ้วจริงๆเผลอยากนะคงจะต้องถอนคําว่าเผลอออกเจตนาเจตนาลองของดูว่าข้าวเหนียวนี่ของกอสัมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพอพลาดไปแล้วจริงๆอ่ะพลาดไปแล้วก็แหมเสียอกเสียใจบอโอ้โห อุตสากินมื้อเดียวมาตั้งสิบปีดูซิมาตกเพราะข้าวเหนียวทุเรียนจนได้เนี่ยเพราะนั้นบางทีเนี่ยโอ้โหบางคนเสีย อ, อกเสียใจมากเลยบางคนเสีย อ, อกเสียใจมากถึงนั่นฆ่าตัวตายยังมีนะฆ่าตัวตายทางธรรมคืออะไรฆ่าตัวตายทางธรรมฮะ อยู่กับเขาไม่ได้เลยนะก็คือว่าต้องออกไปเลยแหละออกจากหมู่จากกลุ่มเลยเพราะมันอายเขามากเลยไปตกแค่ครั้งเดียวเนี่ยแหละพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยอายเลยกลัวคนจะมาทักกลัวคนจะมาถามนะโดยเฉพาะคนที่เอามาให้นะ่ะกลัวว่าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเอามาอีก อ, อันนี้เป็นจิตที่ดีนะก็กลัวแต่ว่ามันกลัวเกินไปก็โ<า>ลกธ<ๆ>รรมยังมากอยู่เลย จนกระทั่งกลายเป็นเกินความเป็นจริงโทษของตัวเองนะกลายเป็นมโหไม่กล้าเจอหน้าผู้คนไม่ไม่กล้าเจอเพื่อนฝูงไม่กล้าทํางานกับคนที่เขารู้ว่าเราไปกินนั่นแหละนี้มันเบอ้อเกินแล้วนะ่ลงโทษตัวเองถ้าถือว่าเป็นผู้พิพากษาก็เป็นผู้พิพากษาที่ไม่ยุติธรรมเลยตัดสินผิดนะ่าลงโทษ นักโทษเกินกว่าเหตุเข้าใจไหมแต่คราวนี้มันกลายเป็นว่าเราเป็นผู้พิพากษา s e เองแล้วเราก็ตัดสินตัวเราเองแต่ตัดสินเกินกว่าเหตุเหมือนกันจะคุยไว้เยอะก็เรื่องคุยไว้เยอะสิเข้าใจไหมก็นี่แหละเรื่องโลกธรรมทั้งนั้นไอ้ที่คุยไว้เยอะเนี่ยก็ <c oughs> เพราะว่าโลกธรรมใช่ไหมล่ะว่าไปคุยกับคนนั่นไปบอกคนนี้บอกโอ้โว สิปีสบายมากตลอดชีวิตนี้กินมือเดียวเสียจแล้วไปลมอย่างเงี้ยโอ้โ ห, โหก็เลยบอกไว้หลายที่หลายแห่งเนี่ยเพราะนั้นไอท้ที่ที่บอกไว้นี่ไม่กล้าไปเลยทุกที่หนึ่งเพราะว่ากลัวเดี๋ยวใครเขาจะทักเขาจะถามขึ้นมาเพราะอนันเนี้ยเนี่ยเนี่ยแหละเป็นโลกธรรมโดยตรงแหละกลัวโดนดินทากลัวโดนติกลัวโดนว่าเพราะนั้นคนที่ยังยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่ก็จะยิ่งไม่มีทาง ประสบความสาเร็จเลยแล้วก็ห้ามพลาดอะไรเลยในชีวิตแต่ความเป็นจริงคนเรามันจะมีพลาดใครเลาจะไม่พลาดกันบ้างแต่ไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าเราพลาดขนาดไหนอะเราพลาด10บเปอราก็ย่อมยอมรับผิดสิอ่าผิดสิไม่ใช่เราพลาดไป10แต่เรากับโอ้โหทำอย่างก็ว่าเราผิดตั้ง50เอรซ็ออย่างงี้คนนี้ก็ ตัดสินตัวเองไม่ยุติธรรมแล้วไม่ถูกต้องแล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีสํานึกดีคนที่มีสํานึกดีเนี่ยมักจะลงโทษตัวเองเกินกว่าเหตุนะแต่แต่ยังไม่ใช่ดีแบบมัชชิมาแต่ดีแบบเบอร์เดีแบบเกินเกินะเพราะนั่นจะลงโทษตัวเองเกินกว่าความความจริงเพราะ ม, มันมีวิธีอยู่ ขออย่างเดียวว่าคนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะพอเราทำอะไรพลาดนะแม้ว่าคนนั้นจะตัดสินตัวเองไปแล้วก็ตามแต่ขอให้นะอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่เข้าใจหมเมื <ME> ่ออยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยลองมาบอกเลยมาบอกกับหมู่กลุ่มแล้วให้หมู่กลุ่มเนี่ยซึ่งเขามีตั้งหลายหัวคิดเผลอเนี่ยบางผู้บางคนเนี่ยมีศีลสูงกว่าเรามีอะไรอะ่ะมีสติปัญญา มามากกว่าเราอีกให้หมู่กลุ่มเขาตัดสินให้เราเลยดีกว่านั้นแ้าเรายอมรับว่าหมู่กลุ่มตัดสินยังไงเราจะเอาตามนั้นหรือพ่ดง่ายๆว่าเราเชื่อผู้ใหญ่หรือว่าเชื่อหมู่กลุ่มให้หมู่กลุ่มตัดสินเอาเออถ้าอย่างงี้อาตมาว่ายังพอจะไปรอดคนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนนี้ไปไม่รอดเลยถ้ายิ่งถ้ายิ่งไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยตัดสินอะไรว่าเวอคําว่าตัดสินอะไรว่าเวอรคือ คนนี้มักจะทำอะไรตรงๆคนที่ทำอะไรตรงๆเนี่ยตัดสินตัวเองก็เวอร์ตัดสินคนอื่นก็เวอร์ <c oughs> อมันเป็นไปตามสัจจะเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะคนที่พยายามตัดสินตัวเองอย่างยุติธรรมก็มักจะตัดสินคนอื่นอย่างยุติธรรมจะเป็นไปตามกรรมที่คนนั้นกระทำคนนั้นฝึกว่ายังไงก็เป็นไปตามนั้นนะ้ำเนี่ยแม้จะมัน อ, อะไรอะ่ะ พรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้นะต้นไม้มันจะโตเร็วหรือจะโตช้ายังไงมันก็โตไปตามที่เราเราพรวนดินเราใส่ปุ๋ยเรารดน้ำแล้วมันก็ยังแล้วแต่พันธุ์มันที่จะมันจะเป็นพันธุ์ไหนที่มันจะโตพันธุ์ที่มันโตเร็วมันก็โตเร็วแต่พันธุ์ที่มันโตช้ามันก็โตช้านะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราเองเนี่ยเรารู้ให้ได้ถ้ารู้ไม่ได้เนี่ยข้าวกลายเป็นอึนจริงๆเข้าใจความหมายเขาไหมเนี่ยข้าวกลายเป็นอนึคือจริงๆแล้วเรามีสํานึกดีแต่ถ้ามันดีเกินนะมันดีเกินดีไม่พอเหมาะดีตรงอะไรอย่างเงี้ยแทนที่มันจะดีเลยมันกลายเป็นไม่ดีเนี่ยแหละข้าวเนี่ยแทนที่มันจะ แหม่น้ากินใช่ไหมข้าวเนี่ยเอามาใช้กินกลายเป็นกินขี้แทนแทนกินข้าวสำนึกดีของเราเนี่ยแทนที่จะทำให้เรายิ่งดีหรือว่ายิ่งได้ดีกลายเป็นสำนึกดีของเรากลายเป็นมาทำร้ายเราเพราะว่าอะไรเพราะมันดีโต่งเนี่ยแหละหรือว่าดีแตกแหละที่พ่อท่านชอบใช้ ดีตรงดีแตกดีเกินดีอะไรอีกดีล้นดีอะไรอีกที่มันที่มันเวอร์มันเกินเพราะนั้นสิ่งที่ดีเลยกลายเป็นเสียไปซะนีน่เพราะนี่แหละคือหัวข้อนี้อ่ะคงฝากไว้เทา่านี้วันนี้